ใครง่ายๆพัดเก็พัดด้วยซุ้มมือซุ้มมือพัดทิมพัดทิมพัดว่างมันคึกเราจะคลึกเอาแต่คลึกทิมอันใดที่มันมีมันเอามาอยู่แล้วน่ยทิมออกเห็นเพาท่านใดเอามานร่อาตไปเอามาอีกของต่างๆทิมต่างๆเรื่องต่างๆในโลกมันมีแต่แนวสิต้องทิมนั่นแหละขันเท้าบดทิมมันก่อนมันทิมเข้าได้ไหม แ่มันพิ่มเห้าเราเข้าเจ็บตำนาใจเนี้งมดอะไรล่ะยาค่าเสน่ห์งามใหญ่เนี่นี่อย่างค่าตังหอฟางเข้าถึร้อยขวมนำของเ้วอย่าเห็นเนี่นี่ยังค่าอยู่ในโตมันค่าหนักค่าจมเนี้ยพรว่างอะไรออกเอาออกยิงตางตังวถิมตว่างเม่อะไอล่ะในร่างกายเห้าเนี่ยเข้ากับตัวถิมพเพื่อน ร่างกายเนี่ยเป็นของเขาเขาคือว่าของเข้าของเขานี่เข่าเขากินกินเองเข่าก็ได้สุขําสุขําเข่าทุกข้ำกินเองเมื่อเขาก็คืดว่าของเข้าคักเลยแท้ล่ะอันเนี้ยในที่สุดมันบบเมนของเข้าดอกมันของเขาเขาก็เป็นของเขาหน้าก็เป็นของเขาจับก็เป็นของเขาของหวานก็ของเข้าของเขาก็ของเขานั่น เขาเอามาใส่เวนิใส่เวนิใสเวนิเอาวานของเข้าบอมแยนด้ะเขาทีมาเอาขึ้นอยู่ในเหาขึ้นซ่วะเฮ้ยมึงออกไปสักบอมแนเนี่ยเข้าบอมขึ้นทังสี่เข้าบอถิ่นได้สี่ชุดมาไปหยาดเอาขึ้นจนใหล่ะหลร่างกายทั้งี่ชุดจะต้องสิ้นจำต้องละทิ้งสิทั้งสิ้นและต้องไปทันไรกันอุปาณียะสีโลโกโลกคือมูสัตันชราต้อนไปอยู่ เพมแก่เพิมเผาไล่ไไลเขาไปต้อนเข้าไปแล้วไล่งัวอะไรช่วยไปเลี่ยงนี่นะไล่ง้วอะไรช่วยไปเลี่ยงไล่ง้วอะไรช่วยไปเผาคอกมันเพ็สกาดเลยไล่ง้วอะไรช่วยไปไปกุห ล, ลาบล้งคาทัดกุหลาบกาลังทีฮอดแล้วอะชู โ, โเป็นฟูบย่างบยื่นเหือนบมีฟยื่นยย oon, อยู่นี่อายุแบบ่ร้ายอันนี้อายุบบายาหายลายเกินด้อย ตายอยู่แห้งเกินร้อยละแห้งใกล้ใกล้เข้าไปแล้วใกล้ขึ้นกันใกล้ตายโลกว่มีไผ่ตอตานไดว่ามีไผดอกติดไปตอไปตานหมออยู่ในโรงพยาบาลพยายามตอตานตอตานแต่ทันหมอตอใจถือไม่ตองเข้าใจว่าโอ้ตอตานบ่ไดดอกกับเพียงชะลอคว่ำเร็วสุอคือ่อยมันเปล่าไปโพด แตาลงแค่น้อยขนาดแต่ตาหรีอตานบไรเด้อมุย้ยไฟตาใหไม่มีผู้ต่อตาอนนาณพิจโรไม่มีผู้เป็นยิ่งใหญ่มุมีผู้ใดสั่งการใดว่านะยุตยาเท่าเด้อยาเจ็ดยะพวยยาตายมุมยผู้ใดยิ่งใหญ่เขาถิ่มวาสั่งใดประกาศติดผู้ โลก่มมีสิ่งเป็นของของตนเขาคือ่ารมีบาตรจองเพื่อนชั้นเป็นของเท่าที่ดินเป็นของเท่าสักที่หนึ่งของเท่าบอแมนดอกบัตรไปหอดวงหนึ่งแล้วมันกีเห็นดอกมันบอแมนของเท่ามันเป็นของคูอื่นเทาเขาไม่อยากให้เป็นของคู้อื่นเขาอยากเอาไว้อยู่เอาไวบา้บ่ได้แม่จะช่างที่ซุปเปอหลังกายเท่านี้เห็นว่ามันเป็นของเท่าเขาให้นั่นไข่เห็หหนแล้วมันป่วยเห็หหนยัง กันนอนมันโมเมนต์งเทามันจังกลวยกันเนาะบอกาจัดวยตัวเขาบอยากวยนะแต่ย่าให้มันกลวยกันมันตคงเทอามันเกิด่าวยแล้วบอกยังได้บอกได้บอกฟั้งโลกไม่มีสิ่งเป็นของของตนมันแมนอิรเด้ร่างกายมันโมเมนของของตนดอกแต่พญี่ามคิดคิดอยู่เรื่อยๆเนาะตองอนดอกว่าต้องคิดอยู่เรื่อยเด้กันคิดยูเรื่อยมันสิซ้ำนานตัว พิอเข้าเที่ยวทังหดเนี่ยเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วมันมันแปลนยังไงการเข้าคืดถิมอยู่เรื่อยเพอหอดงายติดถิมเลยอยราะถิมได้สักบางป่าห้ายะคามเนียังจําต้องละพิ้งสิ่งทั้งสิ้นแล้วต้องไปบปกันว่ามันพิงสิงทั้งสิ้นแล้วต้องอยู่นี่เด้บว์โบว์ใหญยุ่แล้วต้องไปเขาบวให้่ยุ่งจำต้องละทิ้งหมายก็จําต้องสมัยเข้ว่า บยิจาิ่งจำต้องละทิ้ส ง, ทงสิ่งช่างสิ้นอย่ร่างกายเฮาเฮาเป็นยังไรเฮาก็บริจ า, า, าิ่งร่างกายเฮาจะเห็นคนเจ็บคนป่วยโอ้ยร่างกายโกรธก็โกหลายไปปวไปรักษากันหมอว่ารักษาแล้วเจ้าไปสิตงยางขั้นคงเคงคงเคงอยู่เด้สัตยืนไ่ได้แล่นบ่ได้ยางไม่ได้กะ่ยังเอาอยู่เลยควอมผมักความูอความพั้น แว่าจาต้องละทิ้สิ่งทั้งสิ้นจาต้องละไปอันที่าวยาละยนี้วยั ด, ย ด, ยดนีการจาต้องสิ่งเค่อูโนโอโลกโลกยังต้องอยู่แต่ว่าความอยากของข้อหนึ่งบกให้มเมตจะเกือว่าได้หลายแล้วยังอยากอยู่ยู่ยเอาอยู่ยงีน่ะโลกยังต้องอยู่คืออยากทีเรื่อง อยากบ้เท่าอยากบ้เท่าแต่ว่ามันบ้ท่านเต็มคือยังเข้าเอานามใช้ปุ๊นี่แล้วแต่มันเต็มแล้วมันอกาเศร้าเอาไปใช้ยังเต็มใช้บ้ไรก็เพอยากใช้อยีกนี่แัละอันนี้มันเป็นอยากอยู่ข่วมอยากของเข้าอยากอย่ตลอดอติดโตเป็นผู้ยังไม่อิ่มไม่เบื่อโมโหจัดเบื่อจักเถื่อเบื่อรุ่นเป็นเอาอีเบื่อรุ่นเป็นอยากเอาอเห็นอันนั้นอยากเอาอีเห็นอันนู้นอยากเอาอี อันว่าเมืองพ่อเ น, อนี่ยโบมี่เมืองพ่อโบมีอยู่ในโลกตันหานาโซนี่แหละข้อข้อมยากนี่หละที่แรกเป็นธาตุของตันหาเป็นธาตุาาของค้อมยากในหลักทั้งหลายเนี่ยในที่ิศรุปแล้วมันเป็นธาตุของควอมยากเป็นทีขาของข้อมยากเป็นแหล่งของควอมยากเนื้อคิดไปคิดอะไรดูดูโอโบม่แน่จะเป็นแต่เอาตัวในโลกเนี่ เอาดีขั้วโลกปีถวยเหรอเสถียรซ่อมเข้ามาในใจนี่ซ่อมเข้ามาแล้วไม่นจะเห็นข้างดอกเห็นวา ง, งเฉียวใจเฮานี่นี่แนวดีดีหลายมีกำลังหลายนี่ฤทธิ์นี่เดชหลายขันใจสงบใจเป็นสมาธิแล้วธรรมาพิจารณาอย่างเงืะตัดเพรขาดเลยอยู่ขันใจเพรเป็นสมาธิบพาขาดดอกไม่ใช่มีทิลืมนี่แหละมีปพราะฝนนี่แหะ ธรรมะปาดเทียงกรบบรรอกเขาคณาฟืกจะมาธิดีๆอะไรแล้วจ้ะธรรมะคิดเจริหน้าสัญญาพระภูษาเจ้าคุณวา่าุสิ้นุดยางเป็นอนิจจังมันบนแนบอนอนหรอกแล้วมันขมีทุกข์แล้วในหันแล้วเมื่อกับเป็นเรื่องของมันเป็นอนัตตาเนาะปัดละแม่เข้าละแม่ไวกันปัดละแม่เาละแม่เมื่อกัตัดใส่เลย นี่แหละอ้าวมา น, างนังโยสิ่ะเยะเยะ่ขึ้นไปไส่เดี้ยวก็ย่เลี้ยวไปไส่ในตาหูก็แย่ฟังไปไส่ฟังขมันในใจของมันนะฟังของพ่อพูดดีใจมันเต็นทุกซักกซกกสีก่วอแตมาเบิ้งซ้อมรับจ่าได้แซ้อมเบ้งซ้อมเ บ, บ, บิงในใจของนี่แหละมันเหี่ยงสิเกิดให้มันใช้ก้นชิดซ้อมนิดนิดทำใจสงบอยู่นี่ใจที่นี่กาลังไปเที่ยวละมีที่เขยว่า ที่เขาเห็ดสีใใจนี่หรือร่างเขาเอินบาสมาสีเอินพาวน่าเขาเ็ดจังสีคล่ะตองเ็ตองใส่ยามเขาเขาใส่ของมันคือจังนีกระตาหน่อยคูณละนวยนีือไะคือกระตาหน่อยต้องแรงต้องแรงมากเนี่ยเอามาใส่ก่อนเพ็ดก่อนค่อยกันพสยามเก็บให้เนี่ยเก็บาเผ็ดขาค่อยขาแจวแวงเงินท่องใส่กระตาใส่ของใส่ของมัน ขาให้คนนั้นยิบเมื่อใจเหีห่ยวคนี้ยิบเม่ใจเห่เว่ได้ ห, หรอกเขาก็ยิบใส่ของเขาเขาพอแห้งเวลาจะเลือนหน่อยแล้วใช้มันก็ได้คิดว่ า, ามือหนึ่งมันะบอดแย่าบใบเราได้นี่ะอดแย่ใบเราใสแล้งเราใส่จีเราด้หน่ที่วิตเข้าเลยด้อนาจักซ้อมของจ๊คังเกตเลยทําใจส ง, งบที่นี่กาลังแล้วต่ใบแยมพิเกเน่าทิม หัดถิ่มหัดปอยหัดว่างหัดเข้าเะอ่อนคือจริงคือยางไงล่ะถิมม่นมันมัดแหละพอดหลังกายมันก็ถิ่มพอดย่ายมันก็คือถิ่มมึงอยู่วังี่เด้อ